พเพื่อท่านรื่มพ่อก็ <c oughs> สำหรับวันนี้อาปาัตมานีก็ตั้งแต่สอง0ันห้า <c> ร <oughs> ้อสาสิเดก็คิดว่าประมาณยี่สิบห้ายหกปีที่แล้วก็จะได้โอกาสเดินทาน ที่วัดป่าสุ ก, ากัตโตครั้งแรกก็ตอนนั้นก็ธรรมาก็ได้ดูจากมันพ่อคำเขียนจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ ที่มหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสมัยนั้นก็ทตมาก็มาอ่าศึกษาแล้วก็อ่ามาทำการวิจัยแล้วก็ทำการพัฒนาจนบทของของของพัฒนาการ ที่ของญี่ปุ่นก็จบปีหนึ่งแล้วก็ก็อยากจะศึกษามากเพราะว่าตรตมาสนใจเรื่องกับบัฒนาจ น, นาบทแล้วก็ตอนๆอที่รู้ว่ามีพระนักบัฒนาที่เมืองไทย ตามาก็ตันตอนที่ได้ยินได้เข้าใจว่าพุทธศาสนานี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ช่วยเหลือต่างด้านจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือสร้างสันติภาพของชุมชน คิดว่านี่ก็รู้อยู่มาแต่ก่อนตอนทียิวญี่ปุ่นแต่มาก็เป็นสมัยเป็นนักศึกษาแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าเป็นการปฏิกัริกาของพระสมที่ญี่ปุ่นนี่ก็สมัยอ่อ ธรรมดานี่ก็ทำการพุทธศาสนาก็เป็นทำพิธีกัรมมากเพื่อคนตายแล้วก็รักษาสุสานของบรรพบุรุษ น, นี่เป็นหน้าที่ของพระสนที่ญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ก็ไม่อยได้ปฏิบัติการหรือว่าสนใจคนที่เป็น ลำบากมีความทุกข์หรือว่าเป็นคนยากจนก็หน้าที่ของพระสนี้ก็ทำงานพิธีพิธีกรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นนี้ก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการพัฒนาของชุมชลม ว่าแก้ไขปัญหาสังคมเช่นความยากจองความเป็นหนี้สินังหาทางด้านจิตใจเพราะว่าก็พุทธศาสนาที่ญี่ปุ่นนี้ก็มาัจะาเน้นคนตายนะเพราะว่าเป็นการศพนี่ก็เป็นสำหรับคนตาย แล้วก็รักษาสุสานก่อนที่ตายไปแล้วแต่ว่าโอกาสที่ดีมาเมืองไทยแล้วก็ท ต, ต, ตอนแรกๆก็ไม่ก็ได้สนใจพุทธศาสนาที่เมืองไทยสมมาก็สนใจการพัฒนาชนบทพัฒนามู่บ้านไปปาักเนือบ้านไปป่าอีกสามบ้าน แต่ว่าได้พบพระนักพัฒนาใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชนบทก็ธรมาก็สนใจประทับใจเพราะว่ามาก็สนใจเรื่องงานพัฒนาด้วยแล้วก็คำออของพุทธศาสนาก็สนใจด้วย ก็พอดีอาจารย์ที่มหาวิยาลัยนั้นที่จุณราลงคณ์ก็แนะนำแต่มาก็อยากจะ เ, ออเข้าสนามอยากจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาของพระสนเป็นยังไงก็พอดี เ, เป็นนาจารย์ที่นั่นก็แนะนาในรลวงพ่อคเขียนที่วัดป่าสุกระโตนี่ก็เป็นของขั้นดันเป็นความคุณภาพแล้วก็ถามอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นนักพัฒนาคนไทยที่ของแก่นแตงของนักพัฒนากระจมเป็นเจ้าหน้าที่ชื่อบุญกุ ม, ม, ม, มีนี่ก็ถาม เขาแล้วก็เขาก็บอกว่าอเออหลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่าสกขตโตนี่ดีมากก็เลยัตมาองสองคนที่อมาก็คุนเคยเป็นเพื่อนเป็นอาจารย์ก็ได้แนะนำหลวงพ่อว่า เ, าเป็นยังไงก็ต้นตอนที่ได้อ่านหนังสือก็ได้ดู แล้วพนักพัฒนาที่เมืองไทย 7-8 คนป8ออนอาจารย์จะเจริมอาจารยา์พ่อนานแล้วก็หลายท่านแต่ว่ากา็ก็ยังไงก็ พบกันแล้วก็คิดว่าเป็นดีนะแต่ ว, ว่าก็ยังไม่ได้คิดจะบวชอะไรแต่ว่ามาที่วัดปัสกัตโตตอนแรกๆก็เจออาจารย์พิสานอาจารพสานบอกว่าหลวงพ่ออยู่ที่วัดธรรมฝ่ายหวานก็เลยเอ้อก็จะอองไปดูพ่อไปหาก็พบนะพบกับหลวงพ่อที่วัดธรมมฝ่ายหวานแล้วก็ ก็ประทับใจก็เรียกว่าเป็นเกิดเรื่มสายสัตตาหน้าทีเดียวเป็นรูปร่างของหลวงพ่อยิมเยี่มยมแจ่มใสมีเมตมตามาต้ามา ก, ก็ตอนแรกแล้วก็มาเยี่ยมเฉยแต่ว่าก็พบกับหลวงพอ่พอหลวงพ่อก็มีการยื่นว่าจะหลมไปแก้งก็อะไรมีธุระก็ อยู่ด้วยกันคุยกันก็แค่5นาที10นาทีก็ต่อมาก็เริ่มใส่สถาอท่ายันยิ่งก็เลยขออ่บวชกับ อ, อยู่กับหล พ, พ่อก็พ่อก็ดีก็บอกแล้วก็ให้อามาปฏิบัติสักหนึ่งเดือนเตรียมการบวชเป็นผ้าขาวก็จะได้ ให้ออบวชที่อเจ้ากนานเพอสมัยก่ อ, น, อนนี่ก็เป็นเจ้ากังจังหวัดที่วัดใจสามโหมอก็พอดีจะได้อได้จน ทำโคบวชมนพิธีก็จะพอจะต้นได้แล้วจะเตรียมพร้อมแล้วก็ชาวบ้างก็มารวมกันประชุมกันจะเป็นอุปตากเป็นพ่อแม่แทงให้ก็ว่าอย่างนั้นก็เลยธรรมะก็ดี ทีใจยันยิ่งก็จะจะบวชดอนดูตอนแรกๆว่าจะ3มบวช3เดือนเป็นแก่ช่วนที่เป็นปัญษาปัญษาเดียวก็จะอไปศึกแล้วก็ทำงานหรือทำงานพิจัยต่อแต่ตอนนี้ก็ก็ หลวงพอ่อก็อยู่ที่วัดป่าจามพิสัก็อยู่วัดป่าก็ตอนแรกๆก็คิดว่าหลวงพอ่อเป็นพระนักพัฒนาผมก็ไม่ก็ได้รู้ว่าเป็นพระคมถามเพราะว่าทันทันที่อ่านหนังสือก็ว่าแนะนําหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาเป็นทํางานอย่างนี้อย่างนั้นช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนี้อย่างนั้นก็ เลยไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อเป็นพระคมถามแต่ว่าปวดแล้วก็ออดูแล้วเพราะว่าหลวงพ่อก็ อ, อ่าเป็นสอน อ, อ่การเจริญสติไม่ใช่พูดถึง อ, อ่าการพัฒนาจนนบดอะไรนี้อะไรนั้นแต่หลวงพ่อก็ให้เราก็ ให้มีรักษาศีลมันเพ็มภาวนาตอนไรกได้กตมาก็ไม่ค่อยได้ เ, เข้าใจคุณค่าการเจริญสติกัตามาก็คุ้นเคยปฏิบัติแบบเซนที่ญี่ปุ่นเป็นสมาธิเพ่งแค่ว่าก็ยบ มันพอกสอยกมือสั้นจังหวะเดินจองกรมของแรกๆของก็ชอบนั่งสงบๆแต่ว่าเออหล่นดูว่ากรรมเจริญสติยกมือสั้นจังหวะให้เดินจองกรมยังไงดีเพราะว่าตอนที่นั่งสงบนี่ก็ตอนที่นั่งนี่ก็สงบดี แต่ว่าได้ยินเสียงดันดันจากด้านนอกแล้วก็รู้สึกว่าวุ่นวายคิดว่าการจริญสตินี้ก็คงจะใช้ได้เพราะว่าเราก็ยึดมั่นถือมั่งกับเสียงหรือว่าสงบความสงบก็มันรู้สึกว่าทุกใจก็ไม่หยุด ก็เลยพยายามที่จะลอนดูตามหลวงพ่อสอแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ฟังเข้าใจภาษาไทยแล้วก็โดยเฉพาะภาษาธรรมะนี่ก็มันก็เป็นพิเศษไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยต่อมาก็พยายามที่จะหลวงพ่อดูนยังไงทางรับ เข้าชังเข่ายัางไงผู้ยังไงก็พยายามที่จะทำต า, า, ามหลวงพ่อหลวงพ่อก็อยู่นั่นสงบแล้วก็อ่อนน้อมตนตอนแล้วก็ผู้ชาวจ า, าวก็เป็น อ, องคหวานดีก็ตรมาก็อยังไงก็อ่า ทำ ต, ตามรวมพ่อดีที่สุดบางทีก็เดินจองโคมสร้งจังหวะก็รู้สึกว่าเข้าใจคุณค่าการปฏิบัติแนวลมพ่อเทียนอ้อนี่เราก็ไม่ได้ติดกับความสงบถ้าไม่ได้ติดกับสงบนี่แล้วก็เสียงดันจากด้านนอกยังไงก็อ้อใจก็เป็นปกติ ตอนที่เราก็ติดกับความสงบนี้ก็งรู้สึกงุ่มวาแล้วก็าบางทีก็มีความกรอดอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ า, าสันจังว่าโดนจองครมเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็พยายามที่จะทําตามหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อไม่ได้ติดกับ อะไรไม่ได้ติดกับความสงบนี้ก็อ่อนใจมม่อิสระเยู่อย่างสบายแม้ว่าเสียงดันอ้อนก็ินดีด้วยพอเสียงมาจากมู่บ้านเป็นเสียงเป็นหนังงันคืนตลอดตลอดคืนนี้ก็อ่อนก็เราก็รู้สึกว่า ก็เห็นใจด้วยห้องชาวบ้านก็กำลังสนุกกันอยู่ยินดีด้วยก็ไม่ได้คิดว่าจะทุกข์ใจอออย่างนี้แต่เป็นที่หลวงพ่อก็แนะนำสอเป็นอานิสงส์การสั้นจังวะต้นจองคมเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ก็ มันจิตใจทำให้เป็นปกติอิสระได้ง่ายเพราะว่าเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเรือมแล้วก็ปล่อยไปรื้อแล้วปล่อยไปก็คิดว่าจะเออดีได้อันนี้ได้ผมแล้วก็อยากจะศึกษาปฏิบัติต่อไปก็คิดว่าเป็นเรียกว่าเป็นจิมรสชาติธรรมะมันดี ก็เลยตัดสินใจจะบวชตอ่อตอนที่ออกปัรษาแล้วก็ไม่ได้ออกอไม่ได้กลับไปไม่ได้ศึกกลับไปทำงานต่อก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็มีลสายลมพัดเทียงก็มีสายการไปที่วัดนั้นปฏิวัวัดนูน่นก็ปากขีสามปากใต้ ก็ที่สนามในก็ไปเรื่อยๆครับพ่อหลวงพอ่อก็ไปด้วยไปที่ไหนก็ก็หลวงพ่อก็เชวญไปแล้วก็ไปแล้วก็มีพระสมหลายรูปแล้วก็มียาติยม <S <S ก็หลายคน <S <S <S ก็มาปฏิบัติทำกัน ท่นเตียตมาไม่ได้ก้อยภาษาไม่ก้อนไม่ชัดแต่ว่ายังไงก็ให้พระผู้ใหญ่ทั้งก็ให้อตมาก็แสดงตามไปตอนแรกๆก็รู้สึกว่าเต้นต คันแล้วก็ ค, ค, ค่อยๆคุยชินแต่ได้ประสบการณ์ดีมากในการปฏิบัติตลอดวันแล้วก็สแสดงธรรมทนที่หน้ า, อาของญาติอยมหลายคนก็ได้ประสบการณ์ดีคุณพ่อก็ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทลอดก็ ตามาก็รู้สึกว่าอบพนใจก็ไปที่ไหนก็นั่นรถ เ, เมยอับรมพอ่อหรือว่าจะอยู่ที่วดัดเอิญ ก, ก็รู้สึกว่าก็อบพนใจตลอดเลยแล้วก็โดยเฉพาะนี้ก็ตามาก็วัดไปเรื่อยๆก็มีโอกาสไาย ไปสหรัฐอเมริกากับหลวงพ่อเป็นอ่าสิ่งที่ทางอาสมาคมพุทธศาสนาทางสหรัฐก็เจอนิ้มนหลวงพ่อแล้วก็ธรรมาก็ติดตามเป็นผู้ที่ อุปตาพืที่ช่วยเหลืออารมณพร์พ่อก็ติดตามไปก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากอยู่6เดือนพรรษาก็ปักที่วัดชนเห็ญที่นิวยอร์กแล้วก็ไปที่ไต้หวันก็ไปด้วยก็เจอก็แบอาตมาก็ไม่ก็ได้ ช่วยราไได้ดีมากแต่ว่าตอนที่ทานอาหารจริงๆวัดชวนเย็นนี่เป็นวัดจีนอยู่ที่สหรัฐเป็นวัดแล้วก็พระของจีนก็อยู่ที่นั่นเป็นประจำก็สามสี่รูปอิเมชีเป็น เ, เ, ป, นเป็นพนิกซ์นีก็มี ให้วัดใหญ่เป็นมีธรรมชาติแต่ว่าอาหารกลางกินนี้ก็บางคนจะเป็นน้ำบากหน่อยเพราะว่าเป็นอาหารเจ ก, ก็ดีนะแต่ว่าเป็นอาหารที่มีน้ำมันมากก็เลยพวกเราก็ถ้าน้ำมันมากก็กินน้ำบากก็เลยก็พยายามที่จะทำเอง ทำอ า, อาหาราก็ตอนนั้นนี้ก็ตารมาก็ช่วยเหลือตารมาหาให้หล่มพอ่อแก็ฉันด้วยเป็นไข่เป็นขนมปั้เป็นโจ๊กอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าหล่มพอ่อเขาก็กินอะไรก็เป็นเรียบง่ายๆนะตอนที่อาตมาไม่ก็ได้ ธรรมหังเกณฑ์แล้วก็ไม่ก็มีผักก็มีบ้านแต่ว่าไม่ก็ได้ทำอะไรเป็นใส่รสชาติอร่อยอร่อยได้แต้หลวงพออ่อก็ไม่ได้ว่าลไรก็ฉันไปเรื่อยๆแล้วก็สวดมนต์สอนญาติโยมที่สารัฐ เป็นคนจีนของอเมริกันก็มากันอยู่ก็ตอนนั่งก็ <c oughs> ต่มาก็อยู่กับหลวงพ่อตลอดแล้วก็ได้ศึกษาได้ดีมากก็หลวงพ่อก็สอนยังไงแล้วก็ตอนที่ไม่ได้ซ้เต็มก็หลวงพ่อก็ทา เ, ออเขียนหนังสือ้ชอบตอนที่ไม่ได้สอนก็เขียนบันทึกทุกวันทุกวั น, ก, วนก็มีอะไรเป็นก็เป็นแปลกแปลกนะที่สหรัฐอเมริกาเป็นปัฒนธรรมก็คนระยยางกันก็สิ่งอะไรดูแล้วก็ออพอประทับใจก็บันทึกไว้ แล้วก็เจอกับญาติโยมก็มีคนศรัทธาเริ่มใสยมากนะ้ามาหาหลวงพอ่อเป็นทั้งคนไทยทั้งคนจีนเข้ามากันหลวงพ่อก็เป็นส ง, งบดีสบายสบายก็ไม่คยได้มีปัญหาอยู่ยันเป็นสุขดีก็ไม่ได้แห็หลวงพ่อก็ จิตใจร้อนไม่แม้ว่าอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่ก็ไม่ได้เห็นเลยเนี่ยแม้แต่ครั้งเดียวว่างี้เศร้าโหยงความโกรธนี่ไม่ได้เห็นเล ย, นะเเยกลย็จิตใจสงบสุขตลอดก็เลยอัตามากอ็อย่างนี้ก็เป็น อ, อ่พระแท้ๆมันก็ เวลาไหนก็ขยนันแล้วก็จิตใจนี้ก็เป็นปกติตลอดอาตมาก็เริ่มสายศรัท ธ, ธาขึ้นแต่ว่ายังไงก็กลับมาเมือนไทยแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ ก็ช่างเข้าก็ร่วมกันกัหลวพ่ อ, พอก็หลวงพ่ อ, พอก็ใจดีก็ผมชอบปักก็หลวงพ่ อ, พอก็เอาปักมาให้ก็ธรรมาก็จะได้แล้วก็ฉันก็ทุกเวลาทุกนาทีก็หลวมพ่อก็หดใจใส่แล้วก็ เมตตาการุณาก็ให้แกเราก็รู้สึกว่าผมก็เป็นนุมพ่อก็เป็นอ่าเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพิเศษแล้วก็เริ่มใช้สตาง่ายว่าลุมพ่อก็รักสังขงไปแล้วก็ พยายามที่จะเอาคำสองของหลวงพ่อแล้วก็สิ่งที่ผมได้ศึกษาได้รับจากหลวงพ่อแสดงด้วยวาจาก็ดีสดด้วยแสดงการกระทำเป็นทีเ่เป็นแม่ ต่การุณาทลอดคิดว่ามาีความดีงามของหลวงพอ่อก็ยังอยู่ที่จิตใจของเราก็าพยายามที่จะเอาสิ่งที่ได้รับมาจากหลวงพอ่อที่ดีงามนี้ก็พยายามที่จะเผยแผ่ถ้าคิดว่าเป็น สิ่งที่ดีงามของหลวงพอ่อวางไว้ให้แกเราก็เอามาเผยแพร่ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะไดะ้สังคมก็ดีหรือว่าเป็นคนที่รูปลอโบโบของเราก็มีความสุขด้วยกันได้ แน่นอนก็คิดว่าขอพอสมควเกับเวลาก็ต่ำมาก็เพื่อไปเพียงแค่แนี้นะครับขอขอเฉริมพรตั้งนะครับ